ตอนที่ส5ตสห้าตาอาวีเช่นนี้สหานชิงผู้นี้คิดอย่างไรกันแน่ถึงกับกล้าขอลาออกในเวลานี้นี่มีใช่ตั้งใจจะทำให้ซานโฮต้องลำบากใจหรอกหรือใครว่าไม่ใช่เล่าเรื่องก่อนหน้านี้ซานโฮยังไม่ได้คิดบัญชีกับเขาเลยยามนี้เขาก็เริ่มไม่รักดีอีกแล้วไทจงเหมือนฮ่องเต้ช่างมองคนผิดไปจริงๆการกระทำของหานชิงครั้งนี้ทาให้ตนเองต้องไปยืนอยู่ท่ามกลางพายุอีกครั้ง สถานการณ์ในราชสำนักนี้ผู้เท่าอย่างข้าเริ่มจะมองไม่ออกเสียแล้วเจ้าคิดอย่างไรเหตุใดหันชิงถึงทำเช่นนี้เพราะเรื่องที่หันชิงทูลเสนอทำให้ในแถวขุนนางเกิดเสียงวิพากวิจารณต่างๆน า, นานาเหล่าเจียนชาววิสื่อผู้ตรวจการที่ยืนอยู่ตามจุดต่างๆกลับทำราวกับหูหนวกตาบอดยืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่กับที่ทว่าการกระทานี้กลับดึงดูดความสนใจของคนบางกลุ่มนี่มันไม่ถูกต้อง พวกเจียนชาววิสื่อสังกัดอวิสื่อไทยกลุ่มนี้ไม่มีใครที่เป็นคนเที่ยวลากดินได้ง่ายๆขอเพียงมีลมพัดใบไม่ไหวเล็กน้อยหากพวกเขายินเขาก็จะพุ่งเข้าใส่ราวกับหมาป่าหิวโหยทันทีแต่ตอนนี้กลับมีท่าทีเช่นนี้ไม่ถูกนี่มันไม่ถูกต้องคนที่มีไหวพริบบางคนเมื่อคิดถึงจุดนี้ก็เหลือบมองไปทางหนึ่งและทิศทางที่สายตาทุกคู่จับจ้องไปก็คือเป้าเย็ยนอวิสื่อตาฟูแห่งต้าอาวินั่นเอง บุคคลผู้นี้เริ่มรับราชการในช่วงปลายรัชสมัยแทจู่เริ่มโดดเด่นในรัชสมัยแทจงและดำรงตำแหน่งอวิส่อตาฟูในรัชสมัยสเสวียนจงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีขุนนางที่ถูกเขาถวายดีกาถอดถอนมีไม่ต่ำกว่าร้อยคนและเพราะมีคนผู้นี้อยู่ในอวิสสือไถยจึงทำให้สเสวียนจงชุนห้องเต้ควบคุมสถานการณ์ในราชสำนักได้รับเรื่องกว่าที่คาดไว้มากแม้ความชอบธรรมจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่การกลุ้มความชอบธรรมไว้ในมือกับการไม่มีเลยนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงไม่อนุญาต ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เสียงของสุนีก็ดังขึ้นทำให้แถวขุนนางที่กำลังวุ่นวายเงียบสงัดลงเมื่อได้ยินสิ่งที่ไท ห, ห่วงเทเฮาตัสหารชิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนแผนการที่เขาเตรียมไว้จะไม่เป็นผลเสียแล้วสถานที่แห่งความขัดแย้งนี้เขาคงยิงจากไปไม่ได้ในตอนนี้เช่นนั้นก็คงต้องหาหนทางอื่น ความแข็งกร่งของชื่อเสียงตัวโยขังโซ่เทฮวงทเทเฮว์เริ่มทําให้ความคิดของขุนนางบางคนเปลี่ยนไปการประชุมเช้าครั้งแรกของราชสมัยเจิ้งถงนี้ดูภายนอกเหมือนจะวุ่นวายสับสนแต่แท้จริงแล้วการย่างเชิงและการประทะ ก, กันเบื้องหลังนั้นไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาทั้งสิน้นชูหลิงหลังจากได้ยินคําปฏิเสธของสุหลีโดยเฉพาะเมื่อเห็นความวุ่นวายต่างๆในแถวขุนนางเขาก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าทุกคนที่ยืนอยู่ณ ใ, ใจกลางอํานาจของต้าอวีนี้ไม่มีใครเรียบง่ายเหมือนที่แสดงออกทางใบหน้าเลย แม้ในใจของเขาจะเร่งรีบเพียงใดแต่ยามนี้เขาก็ไม่กล้าขยับขยี้นส่งเดททุกสรรพสิ่งหากเตรียมการไว้ก็จะสำเร็จหากมิได้เตรียมการไว้ก็จะล้มเหลวคำกล่าวนี้มิใช่ว่าไม่มีเหตุผลชูหลิงรู้ดีว่าเขาต้องอดทนรอคอยโอกาสที่เขาคาดหวังมาถึงเช่นนี้เขาจึงจะมีโอกาสกลมอิสระภาพไว้ในมือก่อนแล้วค่อยไปวางแผนเรื่องอื่นต่อเพียงแต่เวลาที่ว่านั้นจะนานเท่าใดเขาเองก็มีอาจคาดการได้นี่คือสาเหตุที่การประชุมเช้าถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นสีนะ เมื่อเชื่อมโยงถึงจุดนี้ชูหลิงจึงได้เข้าใจว่าเหตุดการประชุมเช้าครั้งแรกของราชสมัยเจิ้งถงถึงถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นโดยที่เขาไม่รู้เรื่องมาก่อนชื่อเส้งตัวโยกขังโซท้าย ห, ห่วงที่ฮ่าวทรงต้องการกลุ่มอำนาจในการตัดสินใจให้มากขึ้นและอำนาจนี้มิใช่เกิดจากการประทะ ก, กันของคนเบื้องล่างแต่พระองค์ทรงต้องการลงสนามด้วยพระองค์เองเพื่อไปแย่งชิงกับอีกสองพระองค์แต่เหตุดาพระองค์ถึงต้องทำเช่นนี้กันนะ ชูลิงยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจุดประสงค์ของซุนหลีคืออะไรหากเพราะเรื่องนี้ทำให้อีกสองพระองค์แอบร่วมมือกับสถานการณ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งต่อสองทันทีใช่ตระกูลซุนนั้นแข็งแกร่งมากและมีผู้ที่สนิทชิดเชื้อกับตระกูลซุนอยู่มากมายแต่อำนาจ่ายมารดาของอีกสองพระองค์ก็มีได้ได้ไปกว่ากันที่สาคัญคือพวกนางต่างก็มีพักพวกที่คบหากันเป็นการส่วนตัวไม่น้อย เมื่อกลุ่มผลประโยชน์เช <g ye S 1> ่นนี้ก่อตัวขึ้นภายในย่อมไม่พังทลายลงง่ายๆใครก็ตามที่กล้าทรยศไม่ว่าจะเป็น ใ, นใครย่อมต้องถูกตัดขาดจากใต้ล่าอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์นั้นจะมากพอเมื่อมองดูเช่นนี้แล้วในปีต่อๆไปต้ออาอวีคงจะค่อยๆก้าวเข้าสู่สภาวะการกัดกร่อนจากภายในเว้นเสียแต่ว่าโครงสร้างซานโฮบริหารราชการจะถูกทำลายลงและรวมอำนาจไว้ที่คนเทียงคนเดียวมิเช่นนั้นแนวโน้มนี้ก็มีอาจย้อนกลับได้ รูปสามเหลี่ยมนั้นมันคงก็จริงแต่นั่นต้องดูว่าเป็นเวลาใดและในสถานการณ์ใดภายใต้การแข่งขันเพื่ออำนาจสูงสุดแม้รูปสามเหลี่ยมจะสามารถดึงรั้งและคานอำนาจกันได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปหากสถานการณ์เช่นนี้คงที่ก็จะเกิดการเกี่ยงงอนกันมากมายการแยกอำนาจเป็นสามฝ่ายนั้นดีแต่นั่นต้องเป็นอำนาจที่ต่างกันและทำหน้าที่ต่างกันชูหลิงครุ่นคิดอยู่ในใจการประชุมเช้ายังคงดำเนินต่อไปกระหม่อมมีเรื่องทูลเสนอกระหม่อมมีเรื่องทูลเสนอ หลังจากการปรากฏตัวของหันชิงขุนนางในแถวก็เริ่มก้าวออกมามากขึ้นเรื่องที่พวกเขาทูลเสนอมีทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องการทหารและภายใต้ดีกาของคนเหล่านี้ชูหลิงก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของต้าอาวี่มากขึ้นการสวรรคตของสเสวียนจงชุนฮ่องเต้แม้จะทำให้จังหวะหลายอย่างปันป่วนแต่ชีวิตของต้าอาวี่อย่างไรก็ต้องดำเนินต่อไปภายใต้ความโศกเศร้าอันสั้นต้าอาวี่ทั้งบนและล่างต้องปรับสภาพให้พร้อมโดยเฉพาะในระดับส่วนกลาง หากเพียงพระการสวรรคตรของสวียนจงฉุนห้องเต้แล้วทุกคนเอาตะตีโพตีภายราวกับจะตายตามไปหลักฐานการปกครองของต้าอาวิย้อมต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรื่องการประชุมเช้าให้เร็วขึ้นด้วยกระมังเมื่อมองดูขุนนางแต่ละคนก้าออกมาบ้างก็ได้รับคําอนุมัติหรือคําปฏิเสธจากสุหลีบ้างก็ได้รับจากสวีเจรแม้คําพูดของหวังซิ่วจะน้อยแต่พระองค์ก็ทรงออกหน้าในช่วงเวลาสําคัญเช่นกัน ในขณะที่ชูหลิงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของต้าอาวี๋เขาก็ยังคงวิเคราะห์ซานโฮต่อไปโดยเฉพาะซุนหลีผู้เป็นเสด็จย่าของเขาที่ทําเช่นนี้ก็น่าจะเพราะต้องการให้ส่วนกลางของต้าอาวี๋กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพียงแต่ชูหลิงก็มีอัดแน่ใจในจุดนี้ได้ชูหลิงไม่มีวิชาอ่านใจเขาเป็นเพียงจักรพรรดิองค์ใหม่วัยแปดพรรษาเขามีความสามารถในการจดจําที่เลิอดล้ําแต่ในต้าอาวี๋ยามนี้เห็นได้ชัดว่ายังมิใช่ช่วงเวลาที่เขาจะเป็นผู้ควบคุมเวทีเวลาล่วงเลยไปทีละนาที หิมะค่อยๆหยุดตกแล้วเมื่อการประชุมเช้าดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องชูหลิงก็สัมผัสได้ถึงจุดหนึ่งบรรยากาศที่ปกคลุมอยู่ณที่นี้ได้เปลี่ยนไปอย่างเงียบเชียบเหล่าขุนนางในส่วนกลางของต้าอวีดูเหมือนจะเริ่มปรับตัวเข้ากับรูปแบบใหม่สาโฮ่หนึ่งจั ก, กรพรรดิได้แล้วซึ่งเร็วกว่าที่ชูหลิงคาดไว้มากเรื่องการซ่อมซัมตี้หลิงสุสานจากักรพรรดิ ต้องรีบจัดการโดยเร็วเรื่องนี้ให้สำนักจงซูเป็นผู้ดูแลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสำหรับดีกาที่คนผู้หนึ่งเสนอขึ้นมาสวีเจินกลับชิงพูดความคิดของตอนเองออกมาก่อนซุนหลีอย่างหาได้ยากจื้อกงลงศพหลวงของสเสวียนจงชุนฮ่องเต้ยอยู่ที่ตำหนักโซ่ฮวงจะปล่อยไว้นานเกินไปมิได้ต้องใช้เงินเท่าใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามประวิงเวลาเด็ดขาดหากข้าลงรู้ว่าใครกล้าเกี่ยงนอนในเรื่องนี้ก็อย่าหาว่าข้าไร้เมตตาท่าทีของสวีเจินนั้นแข็งกร้าวมาก ทาว่าการกระทำนี้กลับดึงดูดความสนใจของคนบางกลุ่มเลี้ยงห่วงที่อยู่ข้างกายทไ ห, ห่วงทไวเฮาไม่ได้ยินสิ่งที่ห่วงทไโหดรัาคิ้วก็ขมวดเล็กน้อยแต่ก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วทว่าสายตาของเขากลับเหลือบมองไปทางสวีเจนอยู่บ่อยครั้ง แม้การแสดงออกของสวีเจิรนจะเป็นการแสดงออกตามปกติที่มีต่อบุตรชายอันเป็นที่รักแต่เหลียงหงกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทว่าผิดปกติที่ใดนั้นเขายังมีอาจล่วงรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในใจของเหลียงหวงเริ่มลังเลว่าหลังจากจบการประชุมเช้าครั้งนี้แล้วเขาควรจะกลับทูนความคิดของตนเองให้ทหทเทห่วงเทเฮาทราบดีหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เขาได้แอบสืบเรื่องนี้อย่างลับๆมาโดยตลอดแต่กลับยังไม่มีเบาะแสใดๆเลย